ถ้าใครที่สนใจเรื่อยามใครอยากคำนวณดูเรืดูยามว่าพระพุทธเจ้าปเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือแหมคนเกิดอย่างนี้ได้เรืออะไรเป็นต้นเนี่ยก็มาดูะนะจะได้จับยามสามตาดูเรือดูยามดูดวงน่ยนะก็บอกว่านักษัตว์ตะเรือดาวเรือคือในเดือนอุตราศาสตร์ก็คือพระมหาบุรุษลงสู่ขันพระชนนีเสด็จออกมหาพิเนศกรมประกาศพระธรรมจกักรย ม, มะกะปาติหารเรือเดียวกันคือวันเพลนเดือน8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 2 อ, ออกบวช3ประกาศพระธรรมจักสีย ม, มกะปาติหารส่วนวันเพ็ญเดือน6 ก, ก็คือประสูตรตรัสรู้และปรินิพานอานันนี้ก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วส่วนวันเพ็ญเดือน3มมาฆาเริกนั้นทํากิจ2 อ, อย่างคือประชุมสาวกสันนิบาตและปลงมายุสังขารส่วนนักษัตย์ดาวเรกชื่อว่าอัจฉริสะก็คือเสด็จลงจากเทวโลกอันนี้ก็คือวันวันเพ็ญออกพรรษานะวันออกพรรษา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 มีสาธกะสัมปชัญญะเป็นต้นลงสู่ขันพมานดาไม่ใช่เบลอมาเนี่ยนะหลับมาเนี่ยเขาเอามาส่งนะหมายว่าแบบอะไรนะห้อง ICU แบบสลบมาเลยมาฟื้นอีกทีห้อง ICU ไม่ใช่แบบนั้นพลอยอีกทีมาห้องคลอดบางที่หลับมาเลยนะอยู่ในคันก็หลับมาตลอดมารู้อีกทีก็คลอดมาแล้วก็ยังไม่รู้ตัวนะตั้งนานกว่าจะนึกออก <S <S พระูุ้ทธสัตว์ไม่ใช่อย่างนั้นตอนที่พระองค์จุติจากดุสิตปฏิสนธิในพระคันเนี่ยมีสัมปชัญญะ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 สี่พระโพธิสัตว์ออกจากพระคันะชนนีหมายคขาว่ า, าพระโพธิสัตว์ต้องเกิดที่ป่าเท่านั้นคําว่าป่านี้แปลว่าสวนเนี่ยไม่ใช่ว่าหมายวเข้าไปป่าไผ่ไปสุกๆอะไรไม่ใช่แบบนั้นนะหมายถึงว่าสวนที่น่ารื่นรมที่น่าบันเทิงใจอย่างที่หพระโพธิสัตว์นั้นจะต้องวางพระบาทลงแผ่นบนแผ่นทองหันประพักไปทางทิศเหนือย่างพระบาท79ตรวจ ด, ดูสี่ทิศแล้วก็บรื้อสีหนาตแป่งอาสพิวาจาอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดา เ, เรื่องธรรมดาว่าพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายต้องเป็นอย่างนี้ทั้งหมดส่วนข้อต่อไปอีกนะบอกว่าพอพระโอรสสมภพเห็นนิมิตสีแล้วก็ออกมหาพิเนศกรมอันนี้ก็เรื่องธรรมดาเห็นหน้าลูกเห็นนิมิตสีออกบวชนี่ธรรมดาข้อต่อไปพระโพธิสัตว์นั้นถือผ้าธงชัยแห่งพระอาหารหันต์ออกผนวดบำเพ็ญเพียรกําหนดอย่างต่ําที่สุดต้องเจดวัน ต้องไม่ต่ากว่า7วันเนี่ยนะรวบรวมโพธิปัจหยธรรมประมาณ7วันจึงจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็อย่างที่8ต้องเสวยข้าวมาทุ ป, ปายาตในวันที่บรรลุพระสัมโพธิญาณเพราะฉะนั้นก็มีบางคนทําบุญตั้งความปรารถนาขอให้ได้ถวายข้าวปายาตเนี่ยนะแม้เราจะได้ทําบุญใส่ข้าวปายาตเนี่ยทำบุญใส่บาทเนี่ยน ะ, ะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยจะต้องนั่งเหนือสันทั์เครื่องล่าที่ปูด้วยหญา้าแล้วบรรลุพระสัพพัญยุตยานในข้อสิบ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 ยานในอริยสัจ4ี่ยานในอริยมรรสสี่ยานในอริยผลสียานในปฏิสัมพิทา4เนี่ยนะยานที่กำหนดกำเนิด4ยานในอินรีย์5ยานในภะละหยานที่กำหนดคติ5ยานที่เป็นอาสาธรณะเนี่ยนะยานที่เป็นอาสาธรณะ6ยานที่กำหนดโพชง7 ยานที่กำหนดอริยมัชมีองค์8ดยานที่แจมแจ้งในอนุปุพพาวิหารสมาบัติก้าทศพลรยานสิบเป็นต้นพระคุณทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วล้วนแต่สำเร็จณนะโพธิบาลังเนี่ยนอันนี้ถือเป็นเรื่องธรรมด า, านะเพราะได้พระคุณที่ไม่ทั่วไปแก่สาวกณนะตําแหน่งนั้นประดุจราชาพิเศษเนี่ยนะประดุจราชาพิเศษ สิบสามพ ร, พ, พระพุทธเจ้าทุกพระองค์หลังจากตรัสรู้แล้วต้องยับยัง้งพักอยู่ใกล้บริเวณต้นโพเจสัปดาห์นี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาภายในหนังสือที่เขาบอกว่า7วันก็แก้เป็น7สัปดาห์แทนแค่นั้นแหละส่วนเท้ามหาพรหมทูลาราธนาเพื่อให้แสดงธรรมเนี่ยนะแปล ว, ว่าพระองค์ทุกองค์ขวนขวายน้อยพรหมอาราธนาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามูสัตโดยมากเคารพพรม ส่วนต่อไปที่สิบห้าถ้าในกับนี้นะพระพุทธเจ้าทุกองค์ต้องประกาศพระธรรมจักรณนะป่าอิสิป ต, ตนะมรึกขายวันพระเสียรยะเมตรายมานะใครจะไปรอที่พารณสีก็ได้นะอธิษฐานไปเกิดพารณสีก่อนมาไปให้มันถูกยุคนะไปไม่ถูกยุคก็ตัวใครก็ตัวใครแล้วค่ะเนี่ยไปอาบน้ำแถวคงคาก็ตามใจหนาวเหน็บเนี่ยนะไปอาบน้า ส่วนวันเพ็ญเดือนสามเนี่ยนะมาฆบุรมียกปาติโมกขึ้นแสดงหนะ้าที่ประชุมสาวกประกอบด้วยองค์สเนี่ยนะก็คือวันมาฆบูชาวันเพ็ญเดือนสาอ่ะนะพระองค์แสดงปาติโมกอันนี้คือถือเป็นเรื่องธรรมดาเส็แล้วประจำพรรษาอยู่ประจําโดยมากอยู่ที่พระเชตวันอันนี้ก็ธรรมดาพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะจำพรรษาอยู่เชตวันอยู่ทั้งหมด19พรรษาแต่ไปไปมามา4ีปี ไปๆมามาเนี่ยนะปีแต่ว่าจำพรรษาโดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษานี่ติดกันเลย19ปีวิส า, าวัดนางวิสาขาอีก6ปีแล้วก็ที่อื่นๆก็ประปรายเนี่ยนะรองลงมาอีกก็คือเมือง เ, อเวลุวันเนี่ยเวลุวันก็4ปีที่เหลือก็ตรงนั้นปีนี้ตรงนี้ปีก็แล้วแต่ความสมควรเสร็จแล้วพระองค์ต้องแสดงย ม, มะกะปาติหารใกล้กรุง ใกล้ประตูกรุงรัฐกรุงสาวัตถีเนี่ยนะที่ทำยามากะปาฏิหารินั่นแหละ19พระองค์แสดงอภิธรรมณนภะพบดาวดึงอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของพระพุทธเจ้าทุกองค์แล้วก็20เสด็จลงจากเทวโลกใกล้ประตูสังกัสรนครอันนี้ก็ธรรมดา21พระองค์เข้าพระสมาบัติอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็ธรรมดาพระองค์ตรวจดูเวไนยชนวันละสองครั้งอันนี้ก็เรื่องธรรมดา ทั้งไหนเช้ามืดกับตอนบ่ายพระองค์จะตรวจดูเวนัยศัสตร์เนี่ยนะก็คือเจริญกรุณาแบบใหญ่ๆเลยแบบชุดใหญ่จริงๆเลยนะแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วก็แผ่พุทธจักสุขตรวจดูสรรพศาสตร์ทั้งหลายเช้ากับบ่ายวันละสองรอบนะนี่พระตรวจดูแล้วไม่เห็นใครเลยอ่ะเอา้าพระ อ, องค์ก็ไม่พระ อ, องค์ก็มีกิจอะไรอีกเยอะแยะเช่นพระเภพระสมาบัติเป็นต้นแล้วก็เมื่อมีเรื่องเกิดขึ้น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 ทำไมพระองค์ไม่บัญญัติวินัยไว้ก่อนน่ะถ้าหากว่าพระองค์เป็นสัพพันญูจริงอะ่ะพระองค์รู้หมดว่าอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นอะ่ะพระองค์ก็บัญญัติสิกขาบทเอาไว้ก่อนสิอันนะัทีนี้เขาก็มี เ, เขาก็เปรียบเทียบเอางั้นถ้าหมอหมอรู้ว่าคนไข้คนนี้จะเป็นสีแล้วรู้ว่าจะเป็นตรงนี้แล้วเขาสีมันยังไม่เกิดแล้วเขาไปหมอไปผ่าตรงนั้นเสร็จแล้วก็เรียกค่ายานีเกาจะให้ไหมไม่ให้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 อันนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ตรัสพุทธวงในสมาคมพระประยูรญาตนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยนะหมายว่าพระญาติมาประชุมกันหมายว่าหลังจากตรัสรู้แล้วเข้าไปที่เมืองของพระญาติแล้วแสดงพุทธวงนี้เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาอย่างต่อไปก็คือว่าพระองค์ปฏิสันฐานกับพิษุอาคันตุ ก, กะอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาหมาย ว, าว่าถ้าพระภิษุอาคันตุกะ อมาจากที่ไกลเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์จะถามมาดูก่อนพิสูจนทั้งหลายศรีระยนมีจักรสี่ทวาร9้าของเธอยังเป็นไปได้หรือเธอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือไม่ลำบากด้วยปัจจัยสอยู่หรือการเดินทางของเธอลำบากไหมเป็นต้นเน่ยการที่พระองค์ตรัสอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็รวมทั้งแม้กระทั่งถ้าใครมากราบไหว้พระองค์ก็บอกว่าขอให้มีความสุขเป็นต้นเนี่ยพระองค์ก็ตรัสอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดา อีกที่หนึ่งเ27เนี่ยนะพระองค์จำพรรษาแล้วถูกนิมนต์ถ้าไม่ทูลบอกลาก่อนจะไม่ไปหมายความว่าถ้าผู้ใดบอกว่านิมนต์พระพุทธเจ้าจําพรรษาอยู่นเมืองนี้หรือนที่นี้เสร็จแล้วหลังออกพรรษาแล้วพระองค์ต้องบอกเขาก่อนแล้วพระองค์จะไปอันนี้ธรรมดาสําหรับพระพุทธเจ้าแต่พระภิกษุ ท, ทั้งหลายในคมภีร์ก็มีแต่ว่าโดยมากไปแล้วไม่ลานะเมื่อออกจากบ้านใดก็ไปเลยเนี่ยนะเก็บของเสร็จก็ไปได้เลยนะ ต่อไป28่สิบแทรงทำรรกิจก่อนและหลังเสวยยามต้นยามกลางยามสุดท้ายทุกๆวันอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาก็คือพุทธกิจเนี่ยนะกิจก่อนฉั้นกิจหลังฉั้นกิจในยามต้นกิจในยามกลางแล้วก็ยามสุดท้ายก่อนก่อนอาหารหลังอาหาระนะช่วง6กโมงถึงสี่ทุ่มช่วงสี่ทุ่มถึงตีสองช่วงตีสอ ง, 2, งถึงสว่างเขาเริ่มแบ่งเป็นว่าแปลว่าใช้24ชั่วโมงคุ้มหมด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 ส่วนอนันตรายกิกธรรมเนี่ย น, นะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยมีอนันตรายกธรรมแปลว่าไม่มีอันตรายสําสหรับอันตรายไม่มีเลยสําหรับพระพุทธเจ้าไม่มีอันตรายอยู่สอย่างด้วยกันหนึ่งใครๆไม่อาจทําอันตรายแก่ปัจจัยสี่ที่มีเฉพาะต่อพระพุทธเจ้าได้สมัยมีพระชนนะถ้าใครจัดของอะไรมุ่งตรงต่อพระพุทธเจ้าไม่มีใครทําลายสิ่งนั้นได้เช่นถ้าเขาเอาอาหารเนี่ยเจาะจงมุ่งตรงต่อพระพุทธเจ้าตรงๆงตัวเลย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 อย่างเช่นพระเทวทัตที่จะทำลายพระองค์นี้ยังไงก็ไม่สำเร็จแล้วต่อไปบอกว่าใครๆไม่อาจทำลายมหาปริศลักษณะ3าประการและอนุพยัญชนะ80ประการได้ไม่มีใครมาทำลายได้และความแก่ก็ทำลายไม่ได้เพราะพระองค์ปรินิพานก่อนออนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้ามหาุริษลักษณะจะเริ่มเปลี่ยนพระองค์ก็ปรินิพาน คงต้องปรินิพานในช่วงที่เรียกว่ายังเป็นที่รักแห่งมหาชนเท่านั้นและก็อย่างที่สี่ก็ไม่มีสิ่งใดมาทําอันตรายแก่พระพุทธรังสีหรือฉับพันธะรังสีได้ไม่ว่าแสงจันทร์แสงอาทิตย์จะมากลบกลบพระฉับพันธะรังสีไม่ได้แสงแสงแห่งเทวดาเป็นต้นก็กลบพระฉับพันณรังสีไม่ไ ด, สส ด, สไได้ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับแบ่งพระบรมสารีริกธาตุนี้อ่านให้ฟัง ข้าวไว้ก่อนแล้วเพราะว่าต่อไปเราก็คงจบนี้พรุ่งนี้ก็คงเริ่มมหาปริญนิพานสูตรเนี่ยจะเอามหาปรินิพานสูตรมาอ่านให้ฟังแล้วก็ตอนสุดท้ายก็จะเอาเกี่ยวกับเรื่องธาตุอันตรธานนี่รายละเอียดเล่าถึงเรื่องการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุกับบริขารแปดของพระพุทธเจ้าเป็นต้นนี้ว่าก ร, กระจายไปอย่างไรในหน้าเจ้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 ส่วนหนึ่งอยู่ที่เมืองกบิลพัทอีกส่วนหนึ่งอยู่ในเมืองอลกับปะส่วนหนึ่งอยู่ที่หมู่บ้านรามาคามบ้านพรามอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่นครเวททีปะกะส่วนหนึ่งก็อยู่ที่มละของนครปาวาเมืองปาวาเนี่ยนะส่วนหนึ่งก็อยู่ที่เจ้ามลละเมืองกุสินาราส่วนโทนพรามสร้างตุมระสถูกก็คือได้ที่แบ่งนั่นแหละก็คืออะไรทนานแบ่งพระธาตุนั่นแหละได้ไป กษัตริย์โมริยะผู้มีพระทัยยินดีสร้างอังคารัสถูกกษัตริย์โมริยะมาหลังพวกก็เลยได้ขี้เท่าไปอังคารแปลว่าขี้เท่าก็เลยได้ขี้เท่าไปอย่างดีอ่ะนะกเรายังไม่ได้ขี้เท่าเลยขี้เท่าเรายังไม่ได้เลยนะเราก็ไปเหมือนกันขี้เท่ายังไม่ได้เลยแล้วลงเรือไปยังไม่ได้ไปกราบเลยไม่ได้ไปถึงโน่นเลยอย่าว่าขี้เท่าเลยลเรืองนะไปกราบที่กุสินารายังไม่ได้ไปเลยจะทําบุญใหม่ก็แล้วกัน ส่วนสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุใหญ่ๆสําหลังพุทธปรินิพพานมีอยู่8ดแห่งก็คือที่ตุมพระ JD, เจดีขออภัยแแห่งก็คือ8ดเมืองที่กล่าวไปแล้วแล้วก็ทนานที่แบ่งพระธาตุเป็นส่วนที่9อังคารก็คือคิดเท่าเป็นที่10ประดิษฐานไว้ในการนั้นพระธาตุธาตุเขี้ยวแก้วนะองค์หนึ่งอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงะนะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปก็อย่าลืมแวะไปด้วยนะ พระธาตุธาตุพระเขี้ยวแก้วเนี่ยนะใครไปก่อนก็แวะไปกราบบ้างอย่าลืมเราไปเที่ยวสวนจะเพลินหมดเลยนะไปชอปปิ้งจะลืมอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีนะยังไงยังไงไก็แวะไปไหว้พระธาตุาก่อนที่ดาวดึงกัะนะมาอีกไม่นานกันแล้วก็จะโบกมืออำลาหรือใครไปส่งใครกันก่อนนะนะยังไงยังไงก็มีตัวให้พอนะอย่งนั้ น, นะ <S <S อีกองค์หนึ่งเนี่ยนะพระธาตุองค์หนึ่งอยู่ที่นาคาปุระแปลว่าเมืองนาคอีกองค์หนึ่งอยู่ที่แคว้นคันธาระ เควนคันธาระนี่เขาเชื่อว่า อ, องค์หนึ่งน่าจะไปอยู่ที่เมืองจีนอีกองค์หนึ่งก็คือไปอยู่ที่เมืองศรีลังกาเนี่ยนะก็คือเนี่ยเควนคันธาระนี่แหละเคว้นคันธาระกลิงข้าที่ไปศรีลังกาและอีกองค์หนึ่งก็ย้ายไ ป, ไปอยู่ได้ไปที่เมืองจีนน่ะนะก็คือมีอยู่4องค์พระเกี้ยวแก้วส่วนพระทันตาธาตุฟันฟันสีเนี่ยนะฟันทั้ง44พระเกษาคือเส้นผมโลมาคือขนทั้งหลาย พรวดานําเอาไปแห่งแหล่งแห่งละอย่างหรือว่าแห่งและจักรวาลด้วยซ้ําไปต่อต่อต่อกันไปจักรวาลมันหวได้ทุกทิศเลยไหวถูกพระเกศาธาตุพระทันตธาตุพระโลมาธาตุแน่นอนนะส่วนอื่นๆก็ถูกไฟพระเพลิงเผาหมดนะนะเช่นพระโลหิตพระมังสาพระอะไรอย่างอื่นนะไฟไหม้หมดแล้วที่เหลือก็เหลือเนี้ยเฉพาะอะไรกระดู๊ฟันขน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 ธรรมะกรกคุนพากรองน้ําประคตเอวอยู่ที่เมืองปาตลีบุตรนะปัตนาเนี่ยนะปัตนาของเราไปก็ไม่ได้ไปกราบกันเลยนะั่รู้อยู่ตรงไหนส่วนผ้าส่งน้ำเนี่ยนะผ้าอาบน้ำอ่ะอยู่ที่เมืองนครจำปาไม่ใช่จำปาสักเมืองเรานะไม่ใช่พระอุณาโลมอุณาโลมก็คือขนมีอยู่เส้นหนึ่งงอกที่หน้าผากแล้วก็เวียนประทักษิณที่หน้าผากพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ที่แคว้นโกศล ผ้ากาสาวพัสคือผ้าที่นุ่งห่มผ้าที่พระพุทธเจ้านุ่ง อ, อยู่ที่พรห ม, มโลกผ้าโพกพระเสียรผ้าโพคหัวเนี่ยนะตอนที่ตัดผมเนี่ยอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวเดืองรอยพระบาทติดที่แผ่นหินฝ่าพระบาทรอยพระบาทเนี่ยที่พระองค์ประทับไว้นะโยติดอยู่ที่แผ่นหินติดอยู่ที่นครกัดชะตะปุระหรือว่า เขาก็เชื่อว่าอะไรนะเกี่ยวกับปรอยพุทธบาทมีที่ไหนบ้างหนึ่งที่เมืองนาดสองที่ชายน้ําแห่งหนึ่งแล้วก็ที่เนี่ยที่สุมาณกูดที่ศรีลังกาแล้วก็ที่หนึ่งก็เชื่อว่าที่เนี่ยที่อะไรนะสระบุรีเนี่ยนะพุทธบาทเนี่ยนะสระบุรีเขาเกี่ยวกับพุทธบาทส่วนผ้านิสีธนะผ้าปูนั่งอยู่ที่แคว้นอวันตีผ้าปูราดที่ผ้าปูราดแปลงว่าผ้าปูนอนเนี่ยอยู่ที่เทวลูกอยู่ดาวบดึงเป็นต้น ส่วนไม้สีไฟเนี่ยนะหรือแปล ว, ว่าไม้ข้อไฟแช็คพระพุทธเจ้าว่ากันเถอะอยู่ที่นครมิธิลาภาคกรองน้ําอยู่ที่แคว้นวิเทหะมีดกล่องเข็มอยู่ที่นครอินท ป, ปัตตะก็คื อ, New Delhi. อ น, นิวเดลีนะอินท ป, ปัตตะก็คือที่เดลีในครั้งนั้นบริขารที่เหลืออยู่ในอปรันตกะชนบทในครั้งนั้นมนุษย์ทั้งหลายจักบูชาพระบริขารที่พระมุนีใช้สอยแล้วในครั้งนั้น เพราะว่าเจดีนี้ก็เรียกว่าแบ่งเป็นสรีริกะเจดีสารีริกธาตุเจดี JD, บริโภคเจดีอุเทสิกะเจดีแล้วก็เจดีก็คือที่ที่พระองค์เคยใช้สอยเนี่ยนะพวกนี้ก็เป็นที่สักตั้งแห่งการเคารพ บ, บูชาจะได้รำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าขนาดพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณอย่างนี้นะกระดูกก็กระจายผมก็กระจายขนและอขนเป็นต้นก็กระจาย ของข้าวของเครื่องใช้ก็กระจัดกระจายพระาธาตุทั้งหลายก็กระจัดกระจายและก็ควรที่จะสังเวชและของเราล่ะจะเหลือไหมเนาะมันจะกระจายอยู่ที่ไหนบ้างไม่ทราบนีนะเขาก็ทิ้งลงแม่น้ําหรือเปล่าไม่ทราบพระปลาก็กินเอาไปอีกเนะี่ยมันก็รกระจายไปเรื่ยนะพระบรมสารีริกธาตุของพระโคโดมพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แผ่ไปอย่างกว้างขวางพระบรมสารีริกธาตุได้เป็นของเก่าในครั้งนั้น พระบรมาธาตุก็ดำรงอยู่ก็เพื่ออนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายเรียกว่ า, าธาตุเวไ น, นนะพวกที่ได้กราบได้ว่า้พระาธาตุทั้งหลายเขาเรียกว่าต้องให้พระาธาตุแปลภาษาไทยว่าต้องให้กระดูกสอ น, อนนะจึงจะได้ผลว่า ง, งั้นเธอได้กราบไหว้กระดู ก, กนะพอเป็นบุญเป็นวาสนาต่อไปในอนาคตเนี่ยนะพระไตรปิฎกก็ไม่อ่านใช่ไหมฟังธรรมต่อพระพัคก่อใหม่เอาพระไตรปิฎกก็ไม่อ่านก็เหลือไหว้พระาธาตุถ้าพระาธาตุยังไม่ไหว้ก็ตัวใครตัวใครแล้วกันเนี่ นะกนะ็สงสารกันเองกันละกันงนั้นถ้าหากว่าพระธาตุก็ยังไม่ไหวก็หมายก็ว่ามันต่ําที่สุดแล้วว่างั้นว่ายพระธาตุเนี่ยมันตอนนี้มันก็เลยทําได้ไม่ยากถ้จัดเทศากาลบูชาพระธาตุเลยนะบูเทศากาลบูชาพระธาตุปฐมเจดีพูอ่าเทศากาลบูชาไหว้ภูเขาทองเทศกาลบูชาไหว้พระธาตุพนมพระธาตุโอ้เขาก็มีประเพณีไหว้ธาตุคนเต็มลางพระเจดีย์เลยไม่น่าเชื่อนะเต็มมากเพราไปไหว้พระธาตุได้ไปสวดอาหาัก h a n g n a m นิดๆหน่อยๆที่เหลือก็ขอหมดเลย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 ทนข้อความโดยสรุปในพุทธวงศนิคมกระฐานหน้า751กล่าวถึงการพันนาพุทธวงศเนี่ยนะที่พระพุทธตาพระพุทธตาเนี่ยนะได้เตรียบเรียงเอาไว้บอกว่าการพันนาพุทธวงศอันงดงามด้วยนิยัตอันวิจิตซึ่งผู้รู้บทพันนาให้ง่ายท่านทําให้ง่ายที่สุดแล้วล่ะถึงความสําเร็จด้วยกรถาคำที่กล่าวไปเพียงเท่านี้ ข้าพเจ้าพุทธทัตตา ย, ยึดทางแห่งอัตถกถาเก่าอันประกาศเนื้อความแห่งบาลีพุทธวงศ์เป็นหลักอย่างเดียวแล้วเรียบเรียงอัตถกถาพุทธวงศ์เพราะละเว้นข้อความที่ย่นเยอะประกาศเอาแต่ข้อความอันไพเราะทุกประการเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามะทูรัฐวิลาศีวิลาศีก็แปลว่าความงดงามด้วยเนื้อความประดุดน้ำผึ้งว่าไงน ะ, ะมธุระเนี่ยมะทูรสก็คือหวานอ่อนหวานเนื้อความนี่อ่อนหวานเพราะว่าพุทธวงศ์นี้เป็นที่ตั้งแห่ง ศรัทธาถ้าอ่านพุทธวงแล้วก็ยังไม่มีศรั ruim, ทธาก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วนะมันก็ไม่รู้จะไม่ <reacted> ได้อันี้มีอะไรจะเทศแล้วว่า ง, งั้นเถอะอเมื่อสาธุชนผู้มีวาจาไพเราะชื่อว่ากันหะธาตุสาธุชนเนี่ยนะเขาชื่อกันหะเนี่ยแปล ว, ว่าธาตุดำแ ต, แต่ถ้าแปลตามศัสตร์นะกันหะแปล ว, ว่าดำใช่ไหมธาตุธาตุก็คือธาตุนะธาตุดำแต่เขาคนนี้เป็นคนดีมากมีคําพูดที่ไพเราะ แต่เชื่อจริงๆท่านอาจเป็นคนร่วมงามก็ได้ได้สร้างวิหารที่มีกำแพงและซุ้มประตูอันงามโดยอาการต่างๆถึงพร้อมด้วยร่มเงาและน้ำหน้าดูน่ารื่นรมเป็นที่คับแคบแห่งทุรชนที่ถูกกําจัดแต่ว่าเป็นที่สงัดสบายเจริญใจณนะท่าเรือกาวีระท่านะท่าเรือกาวีระไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่ทราบไปศรีลังกาก็านะไม่รู้ว่าท่าเรือกาวีระนี่อยู่ตรงไหนที่ที่ศรีลังกานะที่ว่าเนี่ ก็คือมีอุบาสกคนหนึ่งเขาสร้างวัดถวายนะสร้างวัดถวายพระพุทธทัตตะให้สร้างวิหารสร้างวัดสร้างที่พักที่น่ารื่นรมให้ท่านเรียบเรียงคำพีมัทุระถวิลาสีนะเป็นวัดที่เกลื่อนกล่นไปด้วยญาติโยมหญิงชายที่เข้าไปบูชากันข้าพเจ้าอยู่ณนะพื้นปราศาสด้านทิศตะวันออกในวิหารเรียกว่าวัดท่าเรือกาวิระนั่นนะเป็นวัดที่เย็นอย่างยิ่งได้เรียบเรียงอัตถกถาพันานาพุทธวงศ อตกถาพันนาพุทธวงศ์นี้เว้นอันตรายข้าพระเจ้าแต่งสําเร็จดีแล้วฉันใดหมายค่ะว่าท่านเรียบเรียงมัทุรัาวิลาศินีอธิบายขยายความพุทธวงศ์ตามแนวอาตกรถาเก่าแก่นั้นสําเร็จโดยไม่มีทุกโศกโรคเว้นภัยอันตรายเลยเพราะฉะนั้นขอความตรึกความปรารถนาความต้องการของชนทั้งหลายที่ต้องการโดยฉูกถูกต้องชอบธรรมจงสําเร็จโดยเว้นจากอันตรายฉันนั้น น, นะตั้งสัจจะวาจาว่า ที่ท่านเรียบเรียงคำพีไม่มีอันตรายเลยนะเพราะฉะนั้นผู้ใดปรารถนาสิ่งใดโดยถูกต้องโดยชอบธรรมเช่นปรารถนาเป็นพระโสดาบันเป็นต้นขอความปรารถนาจงสําเร็จโดยปราศจากอันตรายข้าพเจ้าพุทธตะพูดเรียบเรียงพุทธวงศ์นี้พันนานะนะบุญที่เกิดจากพันนาด้วยด้วยอนุภาพแห่งบุญนั้นขอโลกจงประสบแต่ประโยชน์อย่างดีขอให้โลกทั้งหมดเนี่ยสงบยั่งยืนทุกเมื่อ ด้วยบุญที่ได้ทําแล้วนี้ขอให้โลกสุกสงบร่มเย็นนะขอโรคทั้งปวงของมนุษย์ทั้งหลายจงพินาศไปสัพโรคโควินาสันตโตโรคทั้งปวงของท่านจงพินาศจงเสียหายจงแตกทําลายไปแม้ฝนก็จงตกต้องตามฤดูกาลแม้สัตว์นรกก็จงอยู่เป็นอย่างอ ย, อย่างมีความสุขเป็นอย่างดีเป็นประจําเพราะปกตินรกทุกข์มากเหล่าเปรตปีศาจทั้งหลายก็จงปราศจากความหิวกระหาย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 จเจริญเมตตาให้แก่เหล่าสัตว์นรกจเจริญเมตตาให้แก่พวกเปรตขอให้ทุกคนประสบความสุขความจเจริญ น, นะด้วยอนุภาพแห่งบุญที่ได้จเจริญเรียบเรียงพระพระคำพีเหล่านี้เพราะฉะนั้นขอธรรมะของพระจอมมุนีจงดำรงอยู่ในโลกยั่งยืนตลอดกาลนานขอท่านผู้มีหน้าที่คุ้มครองโลกก็คือผู้ปกครองเนี่ยนะมีพระราชาเป็นต้นจงปกครองแผ่นดินให้เป็นสุขเถิด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 เพราะผู้ที่เรียบเรียงคำพีเหล่านี้ก็สู์สลายไปแล้วไม่นานคำพีเหล่านี้ก็จะไม่มีคนอ่านกระดาษก็จะผุพังไปในที่สุดไม่มีการพิมพ์ต่อไปสังขารทั้งหลายก็ว่างเปล่าเช่นนี้มาทูวัตรมรัฐวิลาศีเนี่ยนะถ้าจะกล่าวไปแล้วถ้าจะสวดนี่ต้องพักประมาณ26ครั้งโดย26่าพรรณวาระแปลว่าสวดแล้วพัก26ครั้งโดยคันถหนังสือประมาณ 6,500 าคันถะมีอักษร อ, อยู่ประมาณ สามหม่นสามพันอักษรสองื่นสามพันอักษรท่นา น, น, น, นบอกได้เลยนะเอ้ยขอมาหนะ่อยใช่ป่ะขอไม่ใช่สองแ ส, สามพันอักษรไม่ใช่นะแหมลูกน้ําเขาวางไว้ผิดที่นี่งงไปหมดเลยน ะ, ะนะสองแ ส, สามพันอักษรโอ้ท่านนั่งนับได้นะเท่าไร่เนี่ยนะมาถูรัฐวิลาศินีนี้เข้าถึงความสําเร็จโดยปราศจากอันตรายฉันใด ขอความดำริของศาสตร์ทั้งหลายที่อาศัยธรรมหรือความปรารถนาที่ถูกต้องโดยชอบธรรมจงสำเร็จฉันนั้นเพราะฉะนั้นบุญกุศลที่เราทั้งหลายได้ร่วมเจริญอนะร่วมฟังพุทธวงศ์ร่วมฟังมัทธุรัถาวิลาสีอัตถคถาพันานาพุทธวงศ์ด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลเหล่านี้อนาขอญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจงประสบแต่ ความสุขความเจริญโดยท่วนหน้ากันน่นะขอบุญกุศลเหล่านี้จงเป็นปัจจัยให้พวกเราทั้งหลายได้รับมนุษย์สมบัติสวรรสมบัตินิพพานสมบัติตรัสรู้อริยสัจตามพระพุทธเจ้าโดยท่วนกันน่นะสำหรับพุทธวงศในวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ทุกท่าน